บทที่3ในสวนธรรมคำถามที่เคยได้ยินบ่อยๆก็คือพระองค์นั้นองค์นี้อยู่สายไหนแล้วก็จะมีคนคอยแจงว่าพระองค์นั้นอยู่สายศีลเช่นพระที่สำนักสันติอโศก สายสมาธิก็หมายไปถึงหลวงพ่อที่ชอบนั่งวิปัสสนาและสายปัญญาก็คือกลุ่มที่ชอบอ่านชอบเขียนหนังสือชอบวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมะเช่นท่านพุทธทาสดังนี้เป็นต้นนะคะความจริงธรรมะไม่ได้มีสายและการปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถแยกได้เป็นส่วนๆศีล ส, ส, สมาธิปัญญาเนี่ยจะต้องไปด้วยกันเสมอจึงจะทาได้ คนที่มีศีลคือปฏิบัติตัวดีวิสติอยู่เสมอก็ย่อมเกิดสมาธิส่งผลให้มีปัญญาคิดการไปได้ไม่ทำอะไรผิดพลาดเปรียบเหมือนเวลาเรากินข้าวสวยเราก็ต้องมีข้าวสารกับน้ำมีหม้อหุงข้าวและมีไฟฟ้าหรือเตารวมครบสามอย่างเราก็สามารถจัดการให้เกิดข้าวสวยมากินได้แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่ได้ผล ก็ง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรซับซอ้อนเคยเปิดหนังสือในร้านหนังสือดูมีหนังสือของอาจารย์ต่างๆหลวงพ่อต่างๆก็สอนเรื่องเหล่านี้แล้วก็มานึกได้ว่าเออเรานี่จะหาอะไรที่แตกต่างก็ทั้งหมดนี่ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์เดียวสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดเหมือนกันอยู่แล้วอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวิธีการที่จะแนะนาต่างกันไป ดังนั้นต่อมาจึงไม่ได้แสวงหาเพราะที่มีอยู่เยอะแยะตั้งหนังสือเทปทำไม่ได้ก่อนเถอะพอหยุดแล้วก็รู้สึกสบายรู้สึกมีเวลาว่างสมองว่างขึ้นเยอะเลยความรู้สึกจะซอกซอนแสวงหาที่มันยุง่งอยู่ยุกยิกจุกจิกก็หายไปต่อมาได้หนังสือหลวงปู่ดูนตตุโลมาเล่มหนึ่งอ่านแล้วก็ดีมาก ได้ความรู้ว่าคิดถูกท่านสอนว่าอย่าเอาจิตออกนอกถ้าคิดแล้วไม่รู้หยุดคิดจึงรู้แต่จะรู้ได้ก็ด้วยความคิดนั่นแหละไม่ต้องไปเรียนอะไรมากหรอกดูจิตอย่างเดียวเมื่อได้ฟังเทปของหลวงพ่อพุทธทาส ต, ตอนแรกก็ฟังเรื่อยๆ เป็นเรื่องเรื่องไปต่อมาก็นำมารวมสรุปเอาไว้ใช้เองเป็นส่วนตัวดังนี้นะคะมีหกข้อข้อหนึ่งอริยสัจสี่มัรมีองค์แปดข้อสองวาดปฏิโมกทํทำดีเว้นชั่วทำใจให้ผ่องแผ้วข้อสามปฏิจจสมุปบาทสิ่งต่างๆอาศัยกันและกันเกิดข้อสี่ไตรลักษ์ อันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนข้อหและความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางก็หหลุดพ้นอันนี้ก็เป็นลำดับเส้นทางการปฏิบัตินะคะพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์เรื่องต่างต่าง่รานี้ก็คือสิ่งที่ท่านให้เข้าใจถึงความทุกข์และการดับทุกข์นั่นเอง ส่วนที่เราพบเรื่องราวอื่นๆในหนังสืออีกอันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่อธิบายแยกย่อยออกไปจากสิ่งเหลา่านี้ดังนั้นเราจะพบว่าเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเมื่อเราไปอ่านเรื่องอื่นๆต่อไปก็ล้วนวนเวียนไปมาอยู่กับเรื่องเหล่านี้เสมอเปรียบเหมือนภูเขาลูกหนึ่งไม่รู้ว่าภูเขานี้อยู่ที่ไหนมีฐานจากจังหวัดใดถึงจังหวัดใดมีความสูงเท่าใดแล้ว สิ่งต่างๆก็วนเวียนอยู่กับความเป็นภูเขาลูกนี้ไม่ว่าจะเป็นพันไม้น้ําตกสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยทางน้ําทางมดทางช้างก็เป็นรายละเอียดของภูเขาลูกนี้ทั้งนั้นส่วนการใช้งานเมื่อเราปฏิบัติทมแต่ละคนก็ทำไปตามขีดขั้นของตอนเองซึ่งไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นคำว่าหลุดพ้น และอรหันท่านก็หลุดพ้นไปถึงการดับขันไม่เกิดใหม่อย่างเราเรามีปัญญาแค่หางลูกอึงหลุดพ้นของเราก็เอาเฉพาะหลุดไปจากเรื่องที่กําลังตำตาตาใจเท่านั้นเป็นเบื้องต้นก็เห็นจะพอเรียกว่าดับร้อนได้นิดหน่อยแต่ก็ได้เยอะโข อ, อยู่ถ้าเปรียบกับคนที่เขาไม่ได้ทําเลยทีนี้เรามาเมาส์กันเป็นตั ว, ตว อ, อย่างย่อๆง่ายๆให้เหมาะกับที่เป็นหนังสืออ่านประเภทประกอบการเตรียมอนุบาล น, นะคะไม่ใช่หนังสือสอนธรรมะโดยตรงกับจบช่วงนี้นะคะก็รูปประกอบก็เป็นเด็กหิ้งขวัญกำลังนอนหลับอยู่ในสนามหญ้าตอนที่หนึ่ง อริยสัจสี่หนึ่งทุก์ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายการพบสิ่งที่ไม่รักการพลัดพลากจากสิ่งที่รักต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นและขันห้าคือตัวเรานี่แหละก็คือทุกข้อสองสมุทยัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุก มีสามอย่างอย่างแรกการมาตันหาคือความอยากในการมคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะคําว่ากามคุณไม่ใช่คุณของกามนะคะคุณนะคำนี้แปลว่ากลุ่มการมคุณก็คือกลุ่มของกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะคะข้อสองเพราะว่าตันหา อยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่นะคะข้อสามวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือเป็นการปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบอยากให้ออกไปจากตัวเช่นคนโทสะแล้วอยากทําร้ายผู้อื่นนะคะหรือคนที่เป็นครูแล้วก็อยากจะไม่เป็นครูอยากจะไปเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าอยากไม่มีอยากไม่เป็น ข้อ 3. นีนิโรธการดับทุกข์สลัดทิ้งปล่อยคืนทำลายความอยากถ้าต้องการไม่ให้ทุกข์ก็ระ ง, งับความอยากข้อ4มักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมักมีองแปะนั่นเอง อริยศสัสตร์4เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆฟังดูเหมือนง่ายคือมีทุกข์หาเหตุของมันหาทางดับมันแล้วก็ดับมันแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นพอเริ่มแก่ได้เห็นปัญหาของคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเพิ่งได้เข้าใจว่าความเห็นแก่ตัวของคนเรานี่เองทำให้หาเหตุของทุกข์ไม่เจอหรือเจอก็เจอผิด ก็เลยทําให้แก้ทุกข์ไม่ได้ตัวอย่างนะคะรัติยาเป็นทุกข์ใจเพราะเกียรติคนรักไปชอบผู้หญิงอื่นรัติยาสรุปว่าเหตุแห่งทุกข์มี2 อ, อย่างคือเกียรดไม่รักและผู้หญิงอื่นวิธีดับทุกข์ของเธอก็คือว่าบังคับให้เกียดเนี่ยกลับมารักแล้วก็ให้ผู้หญิงอื่นเนี่ยไปเส แต่ไม่สําเร็จทั้งสองอย่างรัติยาจึงยังทุกข์อยู่รัติยามองปัญหาและแก้ปัญหาเพื่อสนองความสุขของตนคนเดียวให้ทุกคนมาแก้ปัญหาเพื่อความสุขของเธอเธอจึงไม่ได้เกลียดเลิกรักรัติยาเพราะนิสัยเข้ากันไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องทะเลาะ ก, กันบ่อยครั้งเขาจึงคิดว่าน่าจะอยู่กับคนที่นิสัยเข้ากันได้จะดีกว่า เพราะการจะให้รัติยาเปลี่ยนนิสัยนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้รัทิยาก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่เธออยากจะให้เกียรติเปลี่ยนนิสัยมาเข้ากับเธอและก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเธอจึงทุกข์ต่อไปหากเธอมองเหตุของทุกข์ออกว่าการเข้ากันไม่ได้และเขาก็จากกันไปแล้ว เธอจะต้องตัดใจไปหาคนที่นิสัยเข้ากับเธอได้เธอก็จะพ้นทุกข์แต่เรื่องของความรักของปุถุชนเราก็เป็นเช่นนี้แหละมันยากไปเสียทั้งหมดเราจึงทุกข์กันทุกวันตอนนี้ก็มีรูปขั้นตอนจบตอนนะคะก็เป็นรูปเด็กกินขวัญกำลังร้องไห้งองแงน้ำตาร่วง เรื่องของความทุกข์มีมากมายหนังสือของอาจารย์หลายท่านเขียนเรื่องความทุกข์เรื่องเดียวได้เป็นเล่มหลายร้อยหนะ้าก็หาอ่านเอาตามอัธยาศัยได้นะคะในเรื่องของข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์คือมักมีองค์8ปประการก็มีดังนี้หนึ่งความเห็นถูกคือเห็นอนริยะสัจสี่นั่นเอง เราเอามาคิดเรื่องทุกข์ว่าทุกข์เกิดเพราะการกระทำของตนเองตนเองเป็นตัวทุกข์เป็นต้นเหตุของทุกข์และเป็นผู้ดับทุกข์ได้ถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมไม่เห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวเองเกินไปไม่มีเจตนาจะดับทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกข์ในธรรมานี้ท่านหมายถึงทุกข์ใจนะคะ 2. คิดถูกคิดถูกนี่มีสามอย่าง 1. คิดที่จะปลีกตัวออกจากอารมณ์ยั่วยวนต่างๆ 2. คิดไม่ไปาบาดปองร้ายสาคิดไม่เบียดเบียนข้อนี้ทำได้โดยคิดว่าทุกคนเป็นญาติกันไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งทำตนให้เป็นคนเห็นอกเขาอกเราชีวิตเป็นของน้อยควรเกิดมาแล้วต้องแตกดับมีเมตตาต่อกันใช้หลักกรรม ทำอะไรแก่ใครก็จะได้รับผลกรรมถ้าเบียดเบียนเขาก็คือเบียดเบียนตัวเราเองเพราะเมื่อเบียดเบียนเขาสิ่งที่เราทาก็จะไปรอให้ผลร้ายแก่เราในวันข้างหน้าเท่ากับเราเบียดเบียนตัวเราเองในวันข้างหน้านั่นเองข้อ 3. าพูดจาชอบคือเว้นจาก4อย่างคือเว้นจากพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อนะคะ คำพูดบางอย่างทำร้ายคนได้เราก็ควรระวังคือพูดเกินสมควรพูดคำรุนแรงพูดผิดเวลาบางคนคิดว่าเรื่องจริงอ่ะพูดเมื่อไหร่ก็ได้แต่บางทีเมื่อพูดผิดเวลาก็อาจทำให้กลายเป็นความเด็ดร้อนตามมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนพูดจึงควรพิจารณาว่าสมควรหรือเปล่าด้วย ท่านสอนให้ใช้วาจาสุภาษิตนะคะคือพูดให้ถูกเวลาการะเทศะพูดความจริงพูดจาอ่อนหวานพูดคำมีประโยชน์พูดด้วยใจเมตตานะคะข้อสี่กระทาชอบมีสามอย่างคือ ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย 2. ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียสละแบ่งปันตามสมควรสามไม่ประพฤติผิดในกาไม่พอใจในคู่ครองของตนนะคะข้อห้าการเลี้ยงชีวิตชอบการงานที่ทำแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะอาชีพที่ต้องห้ามมี5อย่าง ม่ค้าขายเครื่องประหาร 2. ขายมนุษย์3ขายสัตว์ที่มีชีวิตสําหรับเพื่อฆ่าเพื่อเป็นอาหาร 4. ค้าขายน้ําเมา 5. ค้าขายยาพิษที่นี้เป็นอาชีพต้องห้ามนะคะ 6. ความพยายามชอบคือให้มีความพยายามประคองจิตใจตั้งไว้เพื่อระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นเพื่อละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้นพยายามถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียคือท่านสอนไม่ให้ยินดียินหลถ้ามีทุกข์ไม่ให้เศร้าเสียใจมากคิดซะว่ายังมีความทุกข์มากกว่านี้ที่เรายังไม่ได้พบหรือว่าเมื่อมีสุขก็อย่ายินดีมากให้คิดซะว่า ยังมีความสุขอีกมากที่เรายังไม่ได้พบการไม่ดีใจมากหรือเสียใจมากเป็นสิ่งที่ดีกับจิตใจนะคะข้อ7ระลึกชอบแปลว่ามีสติดีอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังยืนอยู่กำลังนั่งอยู่กาลังเดินอยู่กาลังนอนอยู่ กำลังเสียใจกำลังดีใจกำลังโกรธรู้ใจตัวเองว่ากำลังมีความหวั่นไหวขึ้นลงยังไงบ้างท่านสอนไปให้ดูถึงลักษณะด้วยเช่นความโกรธว่าขณะโกรธเนี่ยเราร้อนยังไงเราเครียดยังไงแล้วก็พิจารณาว่าเออเวลาที่คนอื่นเขาโกรธเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันมันแย่นะเราจะได้รู้จักเข้าใจคนอื่นบ้าง ถ้าเราหัดดูอารมณ์อื่นๆด้วยก็เหมือนกันจะได้มีสติรู้ตัวเองในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักว่าคนอื่นเขาก็จะเป็นเหมือนเรารู้สึกอย่างที่เรารู้สึกนี่แหละเมื่อเราเห็นใจเขาเราก็จะดีกับเขาได้การฝึกพิจารณาลักษณะเช่นอารมณ์กโกรธคงไม่ได้ทําขณะที่กำลังโกรธหรอกสมมุติโกรธตอนสาย ตกค่ำลองมานั่งพิจารณาว่าอืวันนี้เราโกรธนะเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงควรโกรธจริงเหรอแล้วเราก็จะได้คําตอบออกมาให้เห็นว่าอารมณ์เนี้ยมันรู้สึกยังไงเพราะระหว่างที่โกรธมันมองอะไรก็ไม่เห็นไปหมดแหละอเอาแค่มีสติขึ้นมาให้ทันว่ากําลังโกรธนะแค่นี้ก็หนักแล้ว มีเรื่องเล่าถึงเรื่องสติอยู่เรื่องหนึ่งว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังไปหาอาจารย์พอเข้าไปพบแล้วอาจารย์ถามว่าเมื่อกี้เข้าประตูมาถอดรองเท้าไว้ข้างไหนของประตูท่านตอบว่าข้างขวาของประตูแสดงว่าท่านมีสติในขณะถอดรองเท้าอาจารย์ถามต่อว่าแล้ววางร่มไว้ด้านไหนของรองเท้าท่านตอบไม่ได้ เพาใจมัวจะไปรีบหาอาจารย์ด้วยเพลสติไปตอนวางร่มเรื่องนี้ก็ละเอียดขนาด น, นี้นะคะก็สำหรับท่านที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแหละสำหรับพวกเราบางทีถามไปไหนมายังตอบไม่ค่อยถูกเลยะค่ะแต่ก็ควรหัดรีบมีสติเข้าไว้นะคะอย่าช้าข้อ8ตั้งใจมั่นชอบสำหรับปุถุชนท่านหมายถึงว่า เวลาจะทำอะไรเนี่ยให้ตั้งใจให้มั่นไม่วอกแวกไปมีความตั้งใจแน่วแน่จนกว่าจะถึงจุดหมายนะคะในทางธรรมะท่านหมายถึงนั่งสมาธิจนได้ฌานภาษาธรรมะเหมือนมาระอ่านใหม่ๆก็ขมหน่อยกินๆไปก็อร่อยไปเองอะ่ะเดี๋ยวก็ชินถ้าง่วงแล้วจะนอนสักหลับก็ย่อมได้นะคะก็จบบทตอนนี้การ์ตูนก็คือ เด็กหิงขวัญก็กำลังนอนลัช่วงต่อไปนะคะชื่อว่าสับโลกกดลงนะคะก็คืออธิบายคำศัพท์ของคำว่าโลกกดลงต่อไปจะต้องเล่าเรื่องโอวาทปฏิโมก แต่ก่อนจะเล่าเรื่องอวาทปฏิโมกขอแทรกเรื่องศับสามตัวนี้ไว้เป็นตัวนำเรื่องก่อนนะคะเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยเราจะเจอคำนี้บ่อยๆก็คือโลภโกรธหลงเพราะมันคือกิเลสตัวที่ทำให้เราวุ่นวายกันทั้งชีวิตนี่แหละคะ่ะแต่ความหมายของมันต่างจากในภาษาไทยที่เราพูดกันอยู่บ้างจึงอยากจะให้เข้าใจไว้เราๆ เ, เวลาไปอ่านเจอเนี่ยจะได้รู้ว่า ท่านหมายถึงโลภโกรธหลงในบาลีนะคะความหมายของเขาเคยได้ยินคนพูดกันมากเลยว่าเรื่องโลภนั้นอะ่ะไม่โลภหรอกแต่ยังโกรธอยู่ยังโกรธอยู่มากเลยคนเรามักจะรู้สึกอย่างนี้กันเพราะเราคิดว่าโลภก็คืออยากจะได้ของของคนคอื่นอยากจะได้ข้าวของอะไรมาไม่หยุดอะไรเงี้ยเรียกว่าโลภมากคำว่าโลภหรือโลภะ น, นั้นท่านหมายถึงความพอใจ อะไรก็ได้ในโลกนี้ที่ทําให้พอใจจัดเข้าหมวดโลกทั้งนั้นตอนเย็นเลิกงานกลับบ้านแล้วว่างนั่งดูโทรทัศน์สบายใจดูโทรทัศน์ก็จัดเป็นโลกไปแล้วเพราะทาให้เกิดความพอใจเมื่อพอใจก็ติดอยู่ในโลกอยากเกิดมาสบายอย่างนี้อีกได้ดูอะไรสนุกๆอย่างนี้อีกเป็นต้นไปทอดกรถิน เอากลองฉิ่งฉับไว้ท้ายรถร้องเพลงกันไปตั้งแต่กรุงเทพถึงอุดรธานีก็ได้แต่บาปเรื่องโลคไปตลอดทางพูดอย่างนี้แล้วชีวิตเหมือนจะอยู่ไม่ได้อะไรว่าดูโทรทัศน์ก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้ตายดีกว่าความจริงตายก็ไม่ดีกว่าเพราะต้องไปเกิดใหม่อีกเอ้ยกลุ่ม อันนี้ก็ไม่ต้องไปกลุ่มหรอกก็ท่านสอนไว้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ต่ําสุดก็คือไม่โลภไปอยากได้ของคนอื่นแล้วชิงมาแล้วก็ค่อยๆสูงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดนู่นคือไม่ยินดีพอใจในอะไรใช้ทําได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่อย่างนั้นเราคงต้องตามเอา UBC ไปถาไวายพระธุดงที่ถ้าบนยอดเขาแล้วนะ ส่วนคำว่ากโกรธหรือโทสะนั้นในภาษาไทยว่ากโกรธก็คือโมโหนั่นแหละแต่ถ้าโทสะก็หมายถึงว่าใดๆ ใ, ในโลกที่ไม่พอใจท่านจัดไว้เป็นโทสะเรื่องที่เราไม่ได้โมโหแต่เราไม่ชอบรวมทั้งเรื่องเศร้าเสียใจร้องไห้ในภาษาไทย ถ้าว่าร้องไห้เป็นโกรธก็คงฟังดูตลกนะแต่ในบาลีเนี่ยท่านหมายถึงทุกอย่างที่อยู่ในฝ่ายที่ไม่ยินดีจัดเข้าพวกเดียวหมดเพราะฉะนั้นเสียใจยร้องไห้ก็คือลูกน้องของกลุ่มไม่ยินดีด้วยส่วนหลงก็คือไม่รู้โมหะคือหลงนี้ก็คือไม่รู้ความไม่รู้หลายแบบมากท่านพุทธทาสอธิบายยกตัวอย่างไว้เป็นบางตัวดังนี้ มานะแปลว่าสำคัญผิดคิดว่าเราเร็วกว่าเขาคิดว่าเขาดีกว่าเราคิดว่าเราเสมอเขาคิดว่าเขาเสมอเราอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทาให้เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเช่นเกิดปมได้เกิดปมเรื่องอะไรพวกนี้คือมานะทิฐิทิฐิในที่นี้หมายถึงายที่เป็นอกุศลคือมีความเข้าใจผิดต่างๆเข้าใจผิดในเรื่องไม่เที่ยงว่าเที่ยง เรื่องทุกว่าเป็นสุขเข้าใจในสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนอย่างนี้หรือเข้าใจผิดถือว่าตายแล้วเกิดแน่หรือเข้าใจผิดว่าตายแล้วหมดกันไม่มีอะไรเหลือคำว่าทิฏฐินี้ก็แปลว่าหลงเป็นโมหะเหมือนกันต่อไปสงสัยคือยังไม่รู้สงสัยเรื่อยไป ความซึมเศร้าเหงาหงอยไม่มีความกล้าหาญ ร, ร่าเริงอย่าเข้าใจว่าความง่วงเหนื่ซึมเศร้าเกียดคร้านนี้ว่าไม่ใช่กิเลสที่แท้เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเต็มที่ของมันทีเดียวเป็นกิเลสประเภทโมหะเพราะนั้นใครขี้เกียจก็คือมีโมหะอยู่นะคะความฟุ้งซ่านสงบไม่ได้ฟุ้งขึ้นตามอารมเรื่อยๆนี่ก็เป็นโมหะ ความไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวความชั่วอันนี้ก็เป็นโมหะนะคะตอนนี้คงเข้าใจความหมายของโลภกดลงกันแล้วนะคะในธรนองของบาลีต่อไปจะได้เข้าหลักธรรมข้อที่สองก็คือโอวาทปฏิโมกโอวาทปฏิโมกมีสามอย่างอย่างที่หนึ่งการไม่ทำชั่วทั้งปวง คือข้อหนึ่งละโลภการละความโลภนี่มีสามระดับนะคะหนึ่งอย่างหยาบคืออยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ถูกต้องชอบทําเลยละโกมาแย่งชิง ม, มาอะไรเนี่ยนะคะอย่างหยาบเลย2ออย่างกลางอย่างกลางก็คือความไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณในการแสวงหาในการได้อยากได้เกินจำเป็นอย่างนี้ก็เป็นความโลภ าการละโลภอย่างละเอียดอย่างละเอียดก็คือว่าติดใจหมกมุ่นพัวพันในทรัพย์สินของตนห่วงแหนพิทักษ์รักษาห่วงของของตัวเองอะนะคะจนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปเลยนะคะอย่างนี้เรียกว่าความโลภอย่างละเอียดาการไม่ละความชั่วทั้งปวงข้อที่สองก็คือละความโกรธข้อที่สก็คือละความหลงหลงก็คือไม่รู้ตามความเป็นจริงความเขลาความมืดของใจ เห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งสาระว่าไม่เป็นสาระแต่กไปเห็นสิ่งไม่เป็นสาระก็มาเห็นว่าเป็นสาระนะฮะนี่คือความหลงก็มีการะตูนขั้นตรงนี้นิดนึงก็เป็นรูปพระจันทร์นะฮะกำลังโวยวายวุ่นวายไปหมดนะคะโวยวายใครก็ไม่รู้ข้อสององโอวาสปฏิโมก คือการทำความดีให้พร้อมนะคะวิธีสร้างความดีก็มีอยู่2 อ, อย่างข้อ1พยายามให้กุศลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยการคิดถึงคุณความดีหรือพิจารณาถึงคุณค่าของคุณความดีข้อ2เมื่อจิตคิดจะทำดีให้ทำทันทีเพราะถ้ารีรอลังเลอาจจะไม่ได้ทำเพราะจิตเนี่ยมีธรรมชาติไหลไปสู่ที่ต่ำเสมอเหมือนสายน้า พอชักช้าไม่ทำวันต่อไปก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยที่เกียดละก็เลยไม่ได้ทำในหนังสือโอวาสีของท่านเหลียวฝานได้แสดงถึงวิธีการทำความดีไว้สิบข้อดังนี้นะคะเอามาเล่าให้ฟังข้อหนึ่งช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีคือใครก็ทำเรื่องอะไรดีๆเข้าไปช่วยก็ทำนะคะ 2. องรักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า 3. สนับสนุนผู้อื่นให้มีความดีพร้อมก็คือใครเขาทำดีเราก็สนับสนุนเขานะคะไม่ต้องมาอิจฉาเขา 4. ชี้ทางให้ทำความดี 5. ช่วยผู้ที่อยู่ในที่ขับขัน 6. ททำสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะ 7. มันบริจาค 8. ทํทำลงไว้ซึ่งความเป็นธรรม 9. เคารพผู้ใหญ่ รักชีวิตผู้อื่นเสมอด้วยชีวิตตนก็สิบนี้คงทํายากหน่อยนะคะแต่ก็ทําได้สำหรับบางท่านวิธีรักษาความดีก็คือไม่ประมาทมีสติระวังเสมอเมื่อมีสติแล้วเราก็จะไม่ทาเขาชั่วนะคะน้งก่อนมีสติอยู่แนวคิดเกี่ยวกับการทำความดีเนี่ยท่านได้สอนไว้ว่าให้คิดว่าเราเนี่ยทำเพื่อผู้อื่น ถ้าเราไม่ได้กินผู้อื่นได้กินก็ถือว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของเราแล้วถ้ามันจะเกิดผลกับตัวเราบ้างก็เป็นผลพลอยได้เพราะถ้าไม่มีผู้อื่นเราอยู่คนเดียวเราไม่รู้จะไปทำความดีกับใครถ้าเราทำความดีแก่ตัวเองก็ต้องทำกับคนอื่นเหมือนกันนะคะเช่นการให้ทานก็ต้องให้คนอื่นใช่ไหมคะแล้วจะให้ทานเราก็ต้องมีคนอื่นมาคอยรับทาน การรักษาศีลก็คือเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นก็คือจะต้องมีคนอื่นอยู่ดีเมื่อทำตามแนวความคิดเนี้ยเราก็จะได้สบายใจในการที่เราจะทำความดีกับผู้อื่นอันจะเป็นผลดีกับตัวเองไปด้วยในตัวโอวาทปฏิโมก3สาการทำจิตให้ผ่องแผ้ว เราควรทำจิตให้สงบนะคะเพราะจิตสงบเนี่ยจะสดชื่นทำให้เข้าใจปัญหาต่างๆได้ไม่ได้หมายถึงว่าการอยู่เฉยๆนะคะที่แปลว่าเฉยความฟุ้งซ่านต่างหาที่ทำให้เฉยนะคะเพราะฟุ้งซ่านไปแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยไม่อยากทำอะไรนะคะหลักก้ารประการของการทำจิตให้สงบก็คือข้อหนึ่งไม่จู้จี้ขี้บน่นสองไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ 3. าทำงานอยู่เสมอไม่อยู่ว่างจิตใจจะได้ไม่วาวุ่น 4. ทำตัวให้มีเหตุผล 5. มองเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีพอสมควร 6. ไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้า 7. ต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบ 8. เชื่อกรรม 9. ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยลงสุดท้ายก็ไปอยู่ที่ตรงไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองความสงบ พูดถึงความสงบนี่มีสองอย่าง 1. สงบแท้ให้ความสุขที่แท้ความสงบเกิดจากการได้ทำดีการได้ทำสมาธิการได้เอาชนะกิเลสได้นะเหล่านี้ทาให้เกิดความสงบแต่ข้อ2 ส, สงบเทียมคือได้สนองความต้องการเช่นอยากไดนาฬิกาพอซื้อมาแล้วก็สงบแต่เดี๋ยวก็ฟุ้งเรื่องอื่นต่อไปก็ไม่สงบอีก อันนี้ก็เลยจัดเป็นสงบเทียมนะคะก็จบจอนช่วงนี้ไปนะคะกระตูนก็คือเด็กหญิงขวัญก็กำลังนั่งสมาธิแต่ก็หลับไปแล้วเรื่องที่3ปฏิจจสมุตบาทคำนี้อ่านยากเข้าใจยาก ท่านที่สนใจเนี่ยนะฮะจะมีหนังสือชื่อปฏิจจสมุติบาทของท่านพุทธทาสอยู่เล่มหนึ่งโดยเฉพาะเลยเล่มนี้หาอ่านได้หนาไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแค่1้อยหน้าเท่านั้นเองในที่นี้จะขอลอกมาเล่าเพียงให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะคะปฏิจจสมุติบาทคือ1 คือการแสดงให้รู้เรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปสายฟ้าแลบในจิตใจของคนเป็นประจำวัน 2. เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคนเราแทบจะตลอดเวลา 3. เป็นเรื่องที่ถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วก็อาจจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของตนได้ 4. ทํทำไมต้องรู้เรื่องนี้เพื่อให้รู้ถูกต้อง และกระดับทุกข์เสียได้ 5. จะดับทุกข์โดยวิธีใดโดยวิธีที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุดบาทคืออย่าให้กระแสปฏิจจสมุดบาทมันเกิดขึ้นมาได้และโดยมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาข้อ 6. ปฏิจจสมุดบาทมีจำนวนทรรม11อแสดงให้เห็นว่า เพราะอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นนะคะก็จะมีรายละเอียดของธรรมสิบเอดของปฏิจจสมุปบาทนั่นนะคะหมายถึงว่ารูปเต็มแบบ น, น, นะคะเขามีสิบเอ็ดอย่างอลองฟังดูก่อนนะคะก็มีดังนี้หนึ่งเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ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 เพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชารามรณโะโศกปริเทวะโอ้โหสับตรึงท่านผู้อ่านแวะไปกินยาลมยาหอมอะไรก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาอ่านต่อตอนนี้ก็มีรูปการ์ตูนนิดหน่อยมีดาวสองดวงกาลังเป็นลมอยู่นะคะคํามอธิบายอาวิชา คือความไม่รู้จริงความเข่านะคะสังขารคือการปรุงแต่งกายวาจาใจเช่นความรู้สึกอร่อยไม่อร่อยเนี่ยนะคะก็ะเรียกว่าสังขารคือปรุงแต่งปรุงว่ามันอร่อยปรุงว่ามันไม่อร่อยนะคะใจเรานะคะปรุงวิญญาณคือการรับรู้นะคะการรับรู้ของเรา นามรูปก็คือตัวเรานามคือจิตรูปคือร่างกายอายตนะหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะคือการกระทบเช่นลิ้นกระทบอาหารนะเกิดทันทีที่กระทบตอนกระทบเรียกว่าผัสสะเวทนาคือความรู้สึก เวทนานไม่ใช่เวทนาใครอะไรนี้นะคะนี่เป็นสัพีเวทนาแปลว่าความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะอุปาทานคือความยึดมั่นในตัวตนพบคือกระบวนการแห่งการเกิดชาติคือความเกิดชารามรณะคือความดับสิ้นไปของเรื่องนั้นๆในในคราวหนึ่งนะคะ กติจัสมุดบาทเนี่ยมีลักษณะเป็นลูกโซ่ที่คล้องกันเป็นวงกลมจึงไม่มีต้นหรือปลายและไม่ต้องเรียงลำดับว่าอาวิชชาจะต้องเป็นข้อที่หนึ่งเสมออย่างที่เขียนมาให้ดูนี้นะฮะเล่ามาให้ฟังนี้เป็นการแสดงว่าในสิบเอ็ดข้อเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างตอนนั้นเองแต่ว่าไม่ได้ว่าข้อหนึ่งแล้ว้อหนึ่งยิ่งี้ข้อหนึ่งวันหลังอาจจะกลายเป็นเป็นข้อ 7, เจดก็ได้อะไรอย่างี้คือ เพราะความที่มันเป็นลูกโซ่วงกลม น, นะฮะมันไม่มีว่าอันไหนเป็นข้อหนึ่งมันคล้องกันเป็นวงกลมไปแล้วก็มันก็มีความเป็นไปในสองลักษณะก็คือหนึ่งสายเกิดอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อความชอบเกิดขึ้นความอยากได้ก็เกิดขึ้นในสายที่สองคือสายดับ อาศัยสิ่งหนึ่งดับไปอีกสิ่งหนึ่งจึงดับไปนะคะเช่นเมื่อความชอบหมดไปความอยากได้ก็หมดไปปฏิจจสมุปบาทนี้ก็คือสิ่งต่างๆอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ของทุกอย่างนะคะทั้งในธรรมชาติเรื่องรอบตัวเราและเรื่องในตัวเราความสัมพันธ์ในธรรมชาติก็ยกตัวอย่างเช่นว่า พอตัดต้นไม้ภูเขาจึงหัวล้นภูเขาหัวโลนจึงทําให้ฝนตกลงมาไม่มีต้นไม้มากรองน้ําฝนไม่มีต้นไม้กรองน้าฝนก็ทำให้น้ําฝนพัดตกลงมากับสุงพอสุงลงมาก็ทําให้หมู่บ้านพังพอหมู่บ้านพังก็ทําให้มีการเรียรย่ยไรการเรี่ยไรยก็มีการจัดงานารับบริจาคทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยาวไปเรื่อยเรื่อยความสัมพันธ์เรื่องรอบตัวเราเช่น มิเกเดินมาถูกลดชนเบาๆถามว่าเกี่ยวพันคืออะไรเหตุเกี่ยวพันนี่คืออะไรคนขับรถอาจจะเมาอันนี้เราต้องสาวไปทางสายคนขับรถว่าอะไรทําให้เมามาอีกอ่ะนะฮะก็คือเขาก็จะมีสายปฏิจจสมุตบาทของเขาอะนะฮะคนขับรถหรือตรงนี้อ่มีคนเอาน้ำมันไปทําหกบนถนนหรือเปล่ารถถึงได้แบบเสียหลักอะไรอย่างงี้หรือมิเก เดินตัดหน้ารถเองนี่สาวมาทางมิเกะทำไมมิเกถึงมาตรงนั้นแม่ใช้ให้ไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวแต่มิเกมิเกแปลว่าเด็กดีนะคะก็คือไม่ไม่เกจะรีบกลับไปดูบอลเลยไม่ได้ดูรถนะะก็เลยถูกรถชนคือสาวหาสาเหตุที่สัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเพราะสิ่งหนึ่งเกิดอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นหมายความว่า ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเองลอยๆอยู่ๆมิเกจะไม่มายืนให้รถชนโดยไม่มีสาเหตุเชื่อมโยงแต่สิ่งที่เราควรสนใจมากที่สุดคือปฏิจจสมุปบาทที่มาทําให้เราเป็นทุกข์ใจซึ่งส่วนนี้เกิดจากการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้รับรู้ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งใน6อย่างนี้เมื่อเรารับรู้แล้วทําให้เกิดการตอบรับเป็นความพอใจ ไม่พอใจที่เรียกว่าเวทนานะคะจากนั้นมันก็จะเร่งเร้าให้เราเกิดตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือถ้าไม่ชอบก็อยากทำลายอยากผลักสายออกไปในทางโลกนี้สามตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราจับความรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดหลังจากนั้นก็จะเกิดกระบวนการไปตามลูกโซ่ห่วงต่อไปของปฏิจจสมุติบาท เพื่อดิ้นหลนหาทางเป็นหรือทำอะไรเพื่อสนองตัญหาของเราเป็นกระบวนการแห่งการเกิดความทุกข์ของใจดังนั้นเราต้องดูแลใจไม่ให้หล่นลงไปในหลุมของความทุกข์หลวงพ่อพุทธทาสสอนให้ตัดตั้งแต่ผัสสะคือการกระทบทันทีที่ตาเห็นรูปแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่า เห็นก็ให้สักแต่ว่าเห็นอย่าปล่อยให้ใจไปรับเวทนาถ้าสติวิ่งไม่ทันมันจะเกิดตัณหาก็ต้องรีบวิ่งไปตัดตัณหาสกัดมันไว้ถ้ายังไม่ทันอีกเราก็แพ้แล้วงานนี้ก็เป็นทุกข์ไปก่อนเป็นสาวน้อยตกน้าตามงานวัดแต่ถ้าเราตัดได้ทันใน3ามจังหวะนี้เราก็จะหลุดรอดปลอดภยัยไม่ทุกข์ใจ เพื่อจะไปเจอแบบฝึกหัดตัวใหม่ๆต่อไปนะคะปฏิจจสมุดบาทนี้แมชื่อมันยาวเาคุยกันตรงนี้ขอตั้งชื่อเล่นเฉพาะกิจตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าชื่อนหนหาวก็แล้วกันขออภัยพระบาลีไม่ได้ลบหลู่แต่ประการใดเห็นพราะลูกช้างยังอยู่อนุบาลผู้ชื่อยาวๆแล้วจะหาวตามเอานะต่อนะนหาวนี้ท่านว่า เกิดได้กับตัวเราวันละไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเพราะเขาเจะเข้าประจำหน้าที่ในทุกๆเรื่องไปอายกเป็นตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งดีกว่านะมันจะได้เห็นง่ายหน่อยน้าจังงังเป็นชายหนุ่มรูปหล่อวันนี้จะไปห้างสรรพสินค้าก่อนจะเดินเที่ยวก็แวะกินข้าวพอกินข้าวในหาไม่ามาเล็กหนึ่งก็เข้าประจำการ ทำให้น่าจังงังเกิดความรู้สึกอร่อยกินใหญ่จนเกี่ยวจะปวดท้องจะเป็นทุกข์แล้วนะกินเสร็จก็ไปเดินเที่ยวพลันนายหาวหมายเลขสองก็เข้าประจำการเมื่อสายตาได้ไปประสบพบนิพผัตะนะคะพบนาฬิการ้องว่าโอ้สวยจังสังขารปรุงแต่งว่าสวยชอบชอบเวทนาเกิด อยากได้จังเลยตตนหาเกิดนะคะทำไงดีอะเงินไม่พอทุกใจแล้วเสร็จนะคะในที่สุดเราก็ทุกใจกลับไปบ้านนอนฝันถึงนาฬิกาอยู่สามวันนายหาวสองเต้นมโนลายแง่งอยู่ในใจตลอดสามวันเป็นทุกอย่างยิ่งเลยระหว่างสามวันนั้นไม่ว่านายหาวสี่จนถึงนายหาวร้อยจะมาประจำการเรื่องอะไรอื่นๆจนวุ่นไปหมด แต่นายหาวสองก็ยังเกาะติดหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมปล่อยนะคะนาฬิกานายหาวสองยังอยู่มีอยู่สองทางที่น่าจะงังจะเลือกทำทางแรกเอามาให้ได้ยอมแพ้นายหาวสอ ง, งหมดรูปก็ไปยืมเงินท่านขุนพักโลหิตได้เงินมาด้วยดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบเอาไปซื้อนาฬิกามาสมใจ ต่อมาทุกๆเดือนก็ต้องทำงานหน้ามืดโกงค่าขนมลูกเก็บค่ารถเมีเมียปล่อยให้เมียเดินไปทำงานเพื่อรวบรวมเงินไปใช้หนี้และนอกจากนี้ยังมีความทุกข์ใจมีลูกตัวเล็กๆของนายหาวสองคอยเอาไม้จิ้มฟันแหลมๆแมทงหัวใจคือความที่นาฬิกามันแพงไปไหนก็ต้องระวังแม้โดนขีดข่วนเดี๋ยวจะเป็นรอยนี่ตัวหนึ่งนะ อีกตัวหนึ่งก็ระวังเวลาถอดเก็บต้องใส่กุญแจให้ดีเดี๋ยวหายถ้าคืนไหนฝันร้ายต้องลุกมาไขกุญแจดูว่านาฬิกายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยดังนี้เป็นต้นทุกเป็นนานจนกว่านาฬิกาจะเสียถ้าเกิดนาฬิกาเสียนาจังงังจะเสียตามต้องจองวัดทางที่สองพระพุทธเจ้าสอนว่าเห็นก็ให้ศักแต่ว่าเห็น คือตัดต้นทางว่าอยากให้เกิดปรุงแต่งว่าสวยอยากให้เกิดเวทนาว่าชอบชอบเกิดตัณหาว่าอยากได้จังน่าจังงงเชื่อพระพุทธเจ้าเห็นให้สักแต่ว่าเห็นเขาจึงคิดว่าเออดีแล้วอย่างน้อยก็ได้เห็นนาฬิกาสวยๆ ส, สักครั้งหนึ่งนะลูกใครนะออกแบบเก่งจัง ดูจนช่ําแล้วก็คืนพนักงานขายไปแล้วก็เดินต่อไปอันนี้ฝรั่งบอกว่า out of sight out of mind คือพอมองไม่เห็นมันก็ออกไปจากใจเราอะนะคะ sight ที่แปลว่ามองเห็น s i g h t out of sight out of mind มองไม่เห็นก็ออกไปจากใจเอาอันนี้มาใช้ก็ได้ผลอยู่เหมือนกัน นัจางงังก็เดินไปดูของอย่างอื่นต่อไปไม่ให้เห็นนาฬิกาก็เลยไม่คิดถึงนาฬิกาอีกใจก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นๆในที่สุดก็ลืมไปหมดความทุกข์เรื่องนาฬิกาไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องคอยเก็บรักษาอย่างเป็นทุกข์นะคะพอหน้จางงังเลือกเดินทางสายที่สองนายหาวสองประจํานาฬิกาก็ตายไปโดยหน้าจางงังไม่ได้ตายตาม หัวหน้ามาเฟียตัวใหญ่ที่สุดก็คือตันหานะคะดับมันเสียได้ก็พ้นทุกเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกกำลังภายในใช้วิทยายุทธชั้นเยี่ยมจากเส้าหลินมาปราบมันเขาสอนว่ากระบีอยู่ที่ใจนะคะก็ขอจบเรื่องปฏิจจสมุติบาทลงเพียงเท่านี้การ์ตูนตอนจบก็เด็กหญิงขวัญ ก, ก, ก็กำลังฝึกเร้าหลินอยู่นะคะ